การเอามาเล่านะเพวเจ้าของคนมีประสบการณ์มาพูดด้วยตัวเองนะแต่ถ้าว่าเราอ่านจากหนังสือตำราเนี่ยมันผ่านจากเจ้าของมาเป็นตัวตัวสือ่ออีกระดับหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เป็นสื่อโดยตรงดังนั้นในข้อที่แล้วมาเนี่ยเป็นข้อของผู้ปกครองกับ อ, อาจารย์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 แต่รู้ด้วยสติเนี่ยมันรู้ทวนกระแสมีความคิดมันก็เลยมีอะไรเหมือนกับเราว่ายน้ำทนกระแสก็ว่ายน้าตามกระแสเนี่ยว่ายน้ำทนกระแสมันจะมีต้มีชาติมีพลังว่ายน้ำตามกร ะ, ะ, ะ, ะแสมันไม่ได้ใช้กำลังอะไรเหมือนกันน่ะการที่เรามารู้ทนกระแสเนี่ยมันต้องใช้พลังสติพลังสมาธิ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 มันละเอียดไปเรื่อยๆจากเปลือกเป็นสารจากสารเป็นลงจากลำเป็นแป้งไปเรื่อยๆนะใจเราก็เหมือนกันตัวรู้เป็นเสมือนตัว <c oughs> หัวเจาะหัวบดที่มันปั่นอยู่ตลอดตัวรู้รู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปตัวที่มันถูกรู้ก็จะขอละเอียดลงเรื่อยๆตัวคิด